คำพูดมันอาจจะดีนะอยากให้เขาทำงานที่ดีแต่เราพูดในปัจจุบันอย่างนี้เรื่อยคนที่มีสีจมูกนี่อาจจะเป็นคนที่มีลูกน้อยที้าพูดตามกจากเป็นหน่า ราะนั้นดีโลกมีกมดีแก้ไขเราก็ไม่จะสิทธิ์เดืด้อแต่จะแก้หน้ามิจฉานาะาที่ต้มก็คือสีหน้าประเภทที่มีโลกภายในน้อยที่สุดตัวอย่างเช่นาจะถามาใหตังทฤษฎีจากวลีมาก็นสองมันต้องใ่สีห้ารูปปลสวยโามก็ไม่มีอายุเท่าร้าี่สิบปีเลเหมือนคนนคนไม่อยาก้รา พอมมองในปับจบันเนี่ยเป็นโลกกว่าเป็นโลกนั้นโลกนี้แก่กันม่ย่มอเลยปรนะเกิดอะประเกิดหมือเเรียจะเกิดเองจิตใจเหนือนแก้กันจิตคนทีนใช่โลกนั้นหนึ่งแก้กันจิตถ้ารู้ความจริ Bra anyway. งนั่นแกที weekend, ่ต <rand> <Nav ar> ัวนี mm. ้นก็ค่าลดลงไปความดีนั้นจงเห็นไดช่วยันเท่าไรดีกว่าก็ทุกวันนี้แก้ยากมากความเจริญในน่นสุด ก็ถึงนี่จบเลยแต่ฉันนั้นามีสองคนที่ฉลาดมากมันปกครองคุยการเปยนศมันบกพร่องที่นหนังตั้หนักามหลักบลีต้งหนักภไทยแต่ทุกตึกมันบกพร่องที่ฉันหนครับคัวที่มีเป็นิษ์องทุกตึกทุกตึกเนี่ยถ้าเราเป็นนีเป็นสิษย์แล้วทุกเรกิด การที่จะทำาม่ถึงนี่จริงๆก็อาศัยกอลากขยายเนเกียร์หรือจะเก็บด้วยจักราที่จัการขยายหนี่ยศาสนาสอนว่งที่ไหนโลกนี้เป็นร้าดีทั้งหมดเนียคุณถที่ยเพราะฉะนั้นจงปราศาสนาอีกในโลกเมื่อใโลกไหนไม่มีอุณหภูคิคนดีเขาสอนจบศาสตร์าราสอนได้แต่เขพูดจะจ้าไี่กศาสนาอีกถ้ามนุษย์ดูท่านเทว่าด้วยท่างภมิเนี่ยตามโลกนี้ยอมสารเขพูดจะจ้าอย่างนี้ ที่นี้เขาเป็นศาสตราจารย์ที่จบมาจากความรู้คนเฉลี่เขาบอกผมักศึกษาเขาเค้าลดบ้างไนมเคาลดบ้างวันนี้ทารีเห็นศาสตราารแล้วมีคนเกิอความน่าติดใขึ้นเนี่ยโอ้าอยู่ที่ไหนเวลาเขาหลังไหนเขาไปแต่มนุษย์มาเห็นทีนี้สิมนุษยกว่ปล่ยนมีคนตายศาสนราจารย์จะเกังไเป็นความคุติกายเออหมดเศรษนีจะมนทีสละตามหากระสับกระส่าหาเขา พ่อโเป็นผู้ถนาดเลดข่ข้อเาตนรู้หมดสิ่งดีที่ชั่วสึ่งบอกหมดทุกอย่างหาคนฉนาดก็เก็บเก็บต่อไปใต้หน้ถ้าคนโง่ก็สั่มืดไม่รู้เรื่องค้ายกัศาสนาที่พ่อรู้คนฉนาดไถึงไม่เป็นจะรู้เลยอย่างนั้นพวกเราเองไม่ควรไม่ไม่คนรจนนเม่อต่างใจ คยังคิว่าชะงาของเราดีแน่ที่เกิดมาเป็นนุษพกัแค่นะงาสมบูรด้วยเงนเพื่อผลเราควรจะน้อมใจะงาในสิที่ห้าที่หลอ้พดจะได้นั่นคืายาทกสาที่ดูไม่ดีเราก็จะมีความสุขเมื่อแต่วันนี่สองสิเก้าไปทุกบททุกบาทไปไปไหนมาไหทุกสิทุกอางใต้ราชาของเราได้วัไหนเดือน่างปีแหนด้วแล้วก็เป็นที่ชะงา คันดีก็เพิ <destruction. S 1> ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันความเชื่อก็ห่างออกไปห่างออกไปถึงสุดท้ายถึงความสมบูรณ์ด้วยสีและสัมปันเราได้ไหมพร้อมเชื่อฟังหมดทุกอย่างเริ่มที่ขาเราข้าวออกจากโลกการทำงานแต่ก็า้องใจกลางข้างไหนที่ท่านนินมานะแต่การหน่วยงานต่างใจเราว่านี่มาแต่ไหนอาชนาห์ก็สร้างแล้วนี่แหละการทำงานความดีทุกอย่างใครจะไปสร้างให้อาชนาห์เขาจะสร้าไปขาสร้า เป็มาเขา่าทาเองนี่แหละก็เาทำอะไรที่ทุสิ่ทุกอย่างเหมือนมันจะทำเพื่ออย่างสมรักก็ต้องทำเพราะจิตนี้มันอิ่มแต่ที่เราทำส้วมมีประโยเน์อะไรตรงนี้ทำให้ใจมัวหมองหนึ่งแต่เม้่อนี้มีคนดูเหลือถามว่าความไม่สึกสุขประดิษฐ์นี้มีการทะเลาะเบาะแว้นที่ทางการแบบกรจายเป็อนค์กรให้ลรักขี้รักความรักความสวยงานความดีตุกประเภท ที่ตัวอเกิดที่นเกดใครก็ต้อเป็นโูษถูกตัวบุญอืโดยีเราก็จะยางเงี้เราคิดนีดนึงอืเกิดมาแล้วก็าู่บาตรังเขาเกา้นแต่จังวเนี้ยเป็นน้ำคามรมจะนาสูง่าแม้ยูว่าตัวเรียนเราก็ยังเรียนไม่จบมีคูบาตรันที่เกิดมาเมต่าที่เจอแ้เราฝอกทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราก็จำเอาไว้ประจยัดตัวนี้คุณทำเถอ สิที่เป็นประโยชน์เกเพื่อแสังคมไม่เคีคิดถึงใครไม่มีพูดทำเถอะไม่เทียงนโลกให้ดีทำผู้ปกครอสังคมใเป็นผู้ที่ได้เป็นของครองที่ได้่วใจคือความน่ารื่นเริงงานมบที่นี้คือมาเนี่ยหลงพอผู้กองเป็นใครี่ก่อนเอาลูกสวเป็นข้อมีอะไรต้องใส่ อาตุ้เคยใช้คาว่าประบัติศาสตร์เนี่ยเราเป็นคนสร้างดีเราก็ทำดีชั่วเราก็ทําเดีแต่ที่เห็นมาไม่เป็นระโยชน์เราพยายามเรียกกระดิกฝนแล้วพระพุทธเจ้าสอนาเมื่อเป็นผู้รุงแล้วก็ต้องอะไรต้องสอนคนอื่นด้วยหมายถึงว่าแนะนำคนอืที่ทําความนี้ด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปทําความนี้เราก็ต้องเป็นผู้ที่ มีความสามารถก่อนหมายถึงว่าเราต้อง ม, มีปัญญาก่อนจะไปส อ, อ, ป อ, อนคนอื่นหรือจะไปทําดีรอื่นแ่เรียนนุ่งก็ขาดปัญญาคือไม่เคยมีป<aimer ท>ัญญาหรเราแก้เกินเราเข้าใจว่าเราไม่มีปัญญาพอแก้ไขได้แต่เข้าใจว่าเราสลัดเหนือนโลกไม่แก้ไม่ได้อันนี้น่ะมาเรีนรูคิดดีหากว่าเราไม่มีปัญญาเราก็รู้วันทางที่จะแก้ไขเราได้จุดไหนที่เห็นว่าเราไม่มีเราก็คิดก็ค้น เช่นความฉลาดในการศึกษาทุกอย่างการทำมาหาเรื่องชีพก็เป็นความฉลาดในด้านหนึ่งการปกครองชีวิตที่จะให้สูงขึ้นไปก็คือสิ่งห้าเราก็ จ, จําอาจากความรู้ความฉลาของพุทธเจ้ามาปรับเราไปก่อนเพราะเรายัางไม่มียืมท่านมาใช้ก่อนเพราะนานไปก็เมื่อเรามีคุณค่าหรือจิตใจเรารู้เห็นตังความเป็นจริงแล้วเราก็จะฉลาดสมบุญสมบูรณ์ขึ้นมาเบื้องต้นเราเข้าใจว่าเราไมฉลาด ดีมากถ้าหาว่าเข้าใจว่าฉลาดแล้วไม่มีใครแก้ได้ถึงนั้นมันเหนือโลกแล้วเพราะดีหมดแล้วแก้ไม่ได้คงเอนามหลวงพ่อเขาไม่ใช่เป็นคนฉลาดนี่หลวงพ่อก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าหลวงพ่อเป็นคนฉลาดนี่มีอะไรก็พูดให้ฟังความรู้ความเห็นที่ได้ปฏิบัติมาใหลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ก็เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วนะคบ จะบ <Thailand> AH ้างเนี่ยคือคือไม่ใช่น่าฉลาดแต่หลวกพ่อมีประสบการณ์เราแต่หลวงพ่อไว้รํารองหลวงพ่อเลยที่มานี่ที่มาประเทศ่ยวในสเตรเลียรู้สึกดีมากที่มาดูพื้นที่พู้เณรก็ตั้งใจดีตามฐานะขอท่านถึงเราจะมีจํานวนน้อยแต่ก็ตั้งใจปฏิบัติก็มีวันที่จะเจริญก้าวหน้า ผลแห่งการปฏิบัติทุกวันทุกวันว น, นั้นเราเป็นวิธีเจริญเช่นเดียวกับเราลดต้นไม้ลดใบอกก็นันแหละผลแห่งต้นไม้ที่จะองอกงามก็ขึ้นที่ตรงนั้นทุกอย่างถ้าทําใบอกในทางดีก็เจริญการถ้าทําในทางสัว่วองเขาตัวเองไปเรื่อย ควรให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพบใครก็ตามมี่คิดให้น่หละเป็นวิธีใช้ปัย่างแม้แต่อาหารบรรพชาก็ต้องพิจารณาเล็กเฟ้นหว่าเป็นพิษเป็นภัยกระทัดขันก็ไม่ต้องทานเนี่ยแต่แสางสหนึ่เครื่งใช้เครื่อสอนทุกอย่างที่จะเห็นว่าเป็นโทษแก่ตัวเองเองนุ่งเข้าไปหรือคล้องเข้าไปอย่างนี้เป็นพิษเป็ภัยใหม่ทั้งว่นทําให้โจรมองอย่างนี้เราก็ควรปัดเกลี่ยออกไปเป็นพิษเป็นภัยเพาะสิ่งนั้น มันจะดีอยู่แต่มันเป็นพิษเป็นภัยสาหรับคนชั่วที่มองเห็นไนั้เราก็ต้องพยายามแก้ไขไม่ให้ความชั่วหรือเขามองเราเขาเป็นมันจะทําลายเราได้นี่ก็คือธรรมชาติในที่นั้นส่วนมากแล้วจะมองไม่เห็ น, นอันพิษทําไปเขาก็มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นก็หมายถึงสิ่งนั้นมันยังความความตึงเหง่งความยึดถือลึกๆว่าพูดง่ายๆว่าตันหา ท่ว่าความอยากอันนั้นมันยังมีมากอยู่และถึงจะมากขนาดไหนก็พิสูจน์ว่าตัวนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต้องลดทดันทีถ้าไม่ลดก็เป็นจริงถ้าลดไม่ได้ก็ต้องเป็นตามจุดนั้นจริงๆภัยก็ต้องเกิดจังจุดนั้นทุกข์ก็ต้องเกิดตามจุดนั้นที่มันบกพร่องก็ปรับจุดบกพร่องให้ดีขึ้นมาก็เป็นนิโรธธรรมะดับที่ดับโทษดับคิดดับภัยดับความเสื่อมจันไร ดับความวุน่นวายที่จะเกิดมีแก่เราได้ก็เป็นท่าก็จัดเป็นองค์ปัญญาในคนฉลาดคนฉลาดมีหลายขั้นขนั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดตามขั้นต่าต่อแต่นั้นไปใช่ได้ทั้งหมดใครไปใช่ได้ทั้งหมดไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าคนช่างหนาขั้นสูงสุดเป็นอะไรขั้นสูงสุสดหลงพ่อพ่อยังไม่สูงสุดก็เลยงมื่อไรก่อนเอาแค่ขั้นเริ่ต้นซะก่อนนะ เข้าใจไหมคุณติ้นขอให้ทํำพันธุ์ต้นให้ดีไม่พอไม่มีปัญหาไม่ต้องมองพันสูงทําพันธุ์ต้นให้พอมันจะสูงไปเขาขึ้นต้นไม้เขาขึ้นบนยอดหรือขึ้นไปแต่ต้นมันขึ้ตรงนั้านบนดีเขาต้องขึ้นไปแต่ต้นมบนสิทําต้นให้ดีแล้วไม่ต้องตั้งความหวังวก็ได้ขอให้สั้นความดีไว้ให้พอ การรักที่เด็ดไม่ต้องตั้งความหวังมันรักไปในตัวนั้นแต่บางทีก็ยังลกไม่ได้ก็นะครับผมพ่อเป็นต้นมางทีเราก็มีความอยากจะให้เป็นอย่างหนึ่งเป็นให้ให้ได้ให้เป็นอย่างที่เราปรารถนาไมครัมันยังมีอยู่เป็นต้นม่าเนี่ยเราจะทําไปเราเพือยากจะทําให้ดีอันนี้ก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่ง อย่านี้จะตัดตรงไหนครับหการทําความดีทุกประเภทถ้าไม่ได้จัดเป็นกิเละเป็นการสร้างความดีถ้าไม่มีผิดไปผิดจัดเป็นมักฆ่ากิเละที่ทําความชั่วทุกประเภทท่านจัดเป็นกิ่เละนับแต่กายแสดงออกการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การกระพือจิตนอกกายนี้ท่านจัดเป็นกิเละทางพราหม์พูดส่อเสียดพูดโกหกพูดหลอกลวงพูดต้มตุ๋นเล่ยเหลี่ยมเหล่านี้จัดเป็นกิ่เละทั้งนั้นถ้าหากว่าสมบูรณ์การไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ตรงตุน๋นนี้จะเป็นมากท่านไม่ได้เป็นกิเลสเป็นความดีข้าข้ากิเลสได้เรียกบุดสบายไห ม, มถ้าเกิดเรามีบางอยากเป็นอยากทําอย่างนั้นเราแสดงว่าไม่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กิเลสถ้าอยากทำความดีมันจะลาบคามแต่ละบางกิเลสมันจะแทรกที่ตรงนั้นอีก <c oughs> เพราะเอาเชิงนี้ไปใทรกกิเลสมันแหลมคมนตเราตรงนั้นจะดีอีกหนึ่แล้วจะมีวิธีป้องกันว่าไหน ที่หลวงบอกไปแล้วเมื่อไหร่มันอยากโกหกก็อยากโกหกมันอยากหลอกลวงก็อยากหลอกอย่าหลอกลวงตรงนั้นแหละเนี่ยจําตรงนั้นไม่ดีเลยอันนั้นแหละเป็นวิธีเป็นมั้ปรับสมุทัยไห้ทุกคนดันสมุทัยดนทุกเกิดม่ให้ทุกเกิดที่จุดไหนความอง่ค่ะหลวงพ่อคิดว่าความโง่ที่เป็นสิ่งที่เราคนจะมองยากเป็นคนส่วนมากกะลงกันตัวเองดีแล้วเก่งแล้วเป็นเอวนาแล้วใไมจะทำยังไง นั่นแหละหลวงพ่อเแก้ยากเหมือนกันถ้าดีขนาดนั้นแล้วก็มีความสามารถที่จะแกเพราะเขาดีแล้ว่หลวงพ่อแก้ได้ทุกอากต้องแก้ดิต้องมันบกพร่องดิมันต้องู้แล้วไแก้อะไรก็คือถ้าเกิดเกิดความองขึ like ้นมาก็คนก็ยังมองไม่เห the <sen> ็นใ่ไความงเนี่ยเขามองไม่เห็นเนี่ยเขาาไม่มีความสามารถแล้วเราจะเป็น ชี้ให้เขาแต่ก็ายังมองไม่เห็นอีกแล้วก็สุดความสามารถเขาการสอนก็สอนให้เขารู้เขาฉลาดแต่เขาไม่ไม่มองเห็นเนี่มันก็สุดวิสัยบังคับไม่ได้พระศาสนาไม่ได้กดไม่บังคับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นแต่ชี้บอกข้อทางเินแข่งชีวิตและชี้บอกข้อทางเินแข่งจิตใจเพื่อปกครองตัวเองให้มีความสุขตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดคือมุติผลิภานเป็นขั้นขันขั้นคั้นขึ้นไที่หลวงพ่อพูดมาทุกทนรับฟังทุกอย่างแล้วก็ รู้สึกว่าจะเข้าใจด้วยว่าหนู พ, พอ่อเขาทำไม่เป็นไงแต่ทีนี้คนเราเนี่ยหนูพ่อพเราเกิดมาเราก็เอามาแล้วนมตตาอะไรโลกคหลดหลงเนี้ยเอามาแล้วตั้งเกิดมาเนี่ยจริงแต่ ว, ว่าที่เราทําอยู่ทุกปั น, นี้เอย่างต้นวัดที่รุดมาวัดสลาดเปโรามาวัดก็เพื่อจะกําจัดเป็นเหลนี้เพราะฉะนั้นอีกหลายคนอีกหลายร้อยคนที่ไม่เข้ามาพบมาเห็นแบบนี้เขาจะกำจัดได้ไงล่ะถ้าเขาเป็น สมมติว่าเขาไม่มาวัดแต่เขาไม่ได้ทําชั่วเขาก็เขาก็กําจัดความชั่วในตัวของเขาการมาวัดถ้าไม่กาจัดความชั่วออกก็ก็ไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาไม่มาเขาไม่ฆ่าสัตว์เขาไม่รับทัพเขาไม่ประพฤติผิดนอกกลางก็แสดงว่าเขามีทําอยู่แล้วเพราะสิ่งธรรมนั้นอยู่กับตัวของเขาเองและตัวของเราเองอออยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่กายที่ใจนี่สถิตยู่ที่นี่ ทำแปดหมื่สี่ถาทำมาขั น, น, นอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ดูที่นี่จะไปดูที่อื่นทำแปดหมื่นสี่ทำก็ทำาขันไม่อยู่บอกวอ่อยู่ที่จิตใช่อยู่ที่จิตที่กายนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้ารู้ที่นี่รู้หมดทำไมจะลบหลวงพ่อหว่อบอกไปแล้วพยายามทำดีให้มากความอยากได้ดีนี่ดี แล้วเวลาทําก็ทําตามตามความหยักที่อยากได้ดีและอยากให้มันเกิดโทษนั่นนะสี่ห้าตัวนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากส่วนภาวนานั่นให้เราพยายามทําตามความสามารถของเราพยายามทําจิตให้สงบเมื่อจิตใจเราได้รับความสงบนั่นแหละที่จะรู้ว่าอ๋อผลมันเป็นมาอย่างนี้ถ้ายังไม่สงบมันก็ไม่รู้แต่อยา่าไปตั้งความหวังอะไรขึ้นมาแต่ให้ทําใจได้ สม่ำเสม อ, เ, อเช่นเช่นจะบริกรรมโทรศัพทอย่างนี้ก็ให้มีสติอยู่กับคําบริกรรมนั้นอย่าเผลอ <c oughs> ให้ทำอยู่อย่างนั้นอย่าไปตั้งความอยากว่าเข้าไปให้อยากจะให้จิตรวม อ, อย่างนั้นอย่างนี้มันอันนั้นมันเป็นความอยากที่ผิดหลักเมื่อความอยากได้นั้นจิตก็รวมลงไม่ได้ต้องทําใจให้อยู่กับธรรมอย่างด้วยความมีสติอย่าเผลอเช่นจะบริกรรมหรือจะกำหนดลงหมายจใจหรือจะพิจารณา ในส่วนร้างกายนี้ก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งหมดให้พิจารณาอย่างนั้นคือความมีสติวันนี้ก็ทำมันหน้าก็ทำต่อไปทุกวันทํำก็หนุนกันขึ้นหนุนกันขึ้นพมื่อมันพอแล้วจิตก็จะรวมลงเมื่อลมแล้วมันถึงก็จุดถึงความสุขหรือมันรู้จะตามความรู้สึกของจิตที่ว่าพุทโธที่มันรู้ต้องกว่ามจิตมันจะขยันอีกถ้าจิตมันมันเห็นความสุขแล้วมันไม่เคยเจอ โอโ้ความสุขนีดมันขึ้นแต่มันเจอความสุขแล้วทีมันไม่เหมือนความสุขของโลกความขยันไม่ต้องบอกไม่มีหลักความขี้เกียจทีนี้เหมือนเราขุดบอนะ่อน้ําทิ้แรกกําลังขุดไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรหลังว่าจะต้องบุกขุดให้ได้เขาขุดถึงจุดนั้นแหละน้ํามันท่วงขึ้นมามันแหลกไปโอ้เไม่ต้องบอกลนะน้ํำมันยจะไหลยื่น ไมู่้สนิว่าสนาจะถึงม า, าขุดก็ตายนี่มันมียังไงพยายามขุดนะเอออกตงที่ตรงนั้นแหละปัญหาพยายามขุดพยายามขุดความชั่วออกไปมัม้งที่ตรงนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในขอบเขตของเหตแล้วนั่นก็แว่าเราพยายามความชั่วแนะ้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องนุจําแม่ดีถูกต้อง ไม่ต้องไปตัวงวลใครพิปุนอะไรก็ช่งให้อยู่ในกรอบของสิลห้าเนี่ยเราดีแล้วเรื่องอะไรเรื่องเราไม่เกิดความทะเลาะก็ามเมนมีแต่ความที่ว่าเป็นเสน่ห์สำหรับมนุษย์ที่เห็นดูดึงคนที่ยังไม่รู้ให้รู้คนนี้ก็พูดจริงน่ารักน่านับถือนั่นเป็นเสน่ห์ของโลกที่อยู่ด้วยกันความซื่อสัตจ์จริงจังเป็นเครื่องผูกพันกันแน่นสนิทถ้าเกิดโกหกหลอกลวง ก, กันเข้าไปนี่แตกกันทีเียว แยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็น ข, นนขาแนงและเกียดกันนะศีลธรรมจึงเป็นสิ่งที่ปกครองมนุษย์ปกครองโลกในโลกนี้ทั้งต่างคนและต่างมีศีลมีธรรมแต่ละประเทศประเทศนี้อย่างไรก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีเรื่องมีลาอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้ทำลายซึ่งกันและกันนอกจากไปหาการยิมแย่งกย่งสายล่าเรื่องบันเทิ แม้จะไม่รู้ภาษากันก็สนิทสนมเพราะสิง่งนั้นไม่มีพิษมีผัยแสดงว่ากิจมันถึงกันภาษาไม่รู้แต่ภาษาใจมันถึงกันมันรู้ถ้าขาดอันนี้แล้วโลกกาดอันนี้มากเท่าไหร่ระหว่างความร้อนก เ, เพิ่มขึ้นเพิ่มขึพม้พอเพลื่อนถึงที่แล้วโลกก็ทําลายตัวโลกเองทั้งหมดทั้สงครามโลกหรือโลกระดับเกิดจากจุดนะั้นจุดขาดที่ทนะําไม่ใช่จุด ปรับไม่ได้ก็ต้องเป็นธรรมดาของโลกแต่อย่าไปมองที่มองโลกอื่นอย่าไปมองคนอื่นมองที่ตัวเราปรับเราให้ดีถ้ากเกิดมาเช่นนั้นลราตายไปก็ตายกับคนดีแล้วไม่ตายกับคนชั่วเกิดมาอีกก็เป็นคนดีอีกนักรบเรื่อดดยไปเป็นคนดีด้ว่อยไปไม่มีทุกข์ติดตามเกิด <ừ. S 1> มาภบใดชาติใดมีแต่ของดีตามตั ว, วเราเ อ, องราก็กาจะเจอแตอ่ความสุขความสมบัตทุกพบทุกเักบเราเลยเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏสงสารต้องอาใช้คนดีเป็นที่เลี้ยง ท่านบอกทำเป็นที่เลื่อนห้อใจนี่ขอให้สนใจที่ตรงนี้ให้ดีอย่าเอาอื่นมาสนใจเอาทํานี่แหละทำโมหะเวละกะติธรรมวิจาลิคู่ประพฤติธรรมเพื่อความเรียบร้อยดีงามทั้งกายวายจาใจทุกอย่างนั่นแหละเป็นสิ่งที่รักษาตัวเองให้ปลอดภัยมีความสุขความสม่งหัในที่เกิดในที่อยู่ในที่ไปท่านหวัดสุกเกตุไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติทำเรา อ, อยู่ในกอบเขตเขตขอ ง, ก, ของกิน ถ้าเราจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทํานี้มันก็ไม่ไม่ผิดใช่ไหมใช่ที่ไรกล้าพูดหรือกล้าในความดี้าทํามาทำในความดียิ่งจะเป็นประโยชน์แก่สังคมแต่วพียความดีนั้นดีหรือความฉลาดรับข้อก่อนจะกล้าก็ต้องให้มันรับข้อแล้วก็ตัดสินใจทําเลยได้ประโยชน์เยอะแล้วทาไงถ้าผมพ่อทําดีแล้วจะไม่เด่นนะฮะทำคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคม มาของภายนอกยังไม่ไม่เนี้ยเราก็ไดมีชีวิตแก่บัตโบดหรือยู่นี้ถ้าเราจะทําไรที่เป็นเราทำดีส่วนมากบัตจะเป็นจุดเด่นจะทำไงให้ที่จะไม่เด่นเด่นอะไรหมายถึงว่าถ้าเกิเราเราทําดีก็เป็นจุดสนใจหรือว่าบางคนก็มองในแงเนี้ยว่าออยากอวดอยากดีอะไรอย่างนี้ อันนั้นเป็นความมองของคนคนอื่นนั่นก็ทราบวาเป็นควมมองของคนอื่นเราไม่สนใจแต่ก็ไม่ต้องสงสารเท่าไหร่ังสงสรก็สงสารแต่ว่าไม่ต้องสนใจในการมองของเขาสนใจในการทําของเราให้เป็นสิ่งที่ดีเรียบร้อยดีงามนะเราสนใจที่ตรงนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนและคนอื่นให้สนใจที่ตรงนี้ไม่สนใจคนไหนจะมองอย่างไรก็มองเพราะโลกนี้เขามีความคิดต่างกัน ควรู้ความฉลาดยิ่งล้ำล้ำถึงสูงต่างกัน จ, กจะไม่ให้เมองจะไให้เขาคิดไม่ได้แต่ข้อสำคัญว่าเราปรับเราให้ดีไปไหนถึงที่พูดนั้นเป็นธรรมที่ว่าไปดีมาดีไใจด้วยธรรมมาด้วยธรรมดูด้วยความฉลาดดูด้วยความร อ, อรบคอบโลกเป็นยังไงเราปรับได้เพราะความฉลาดเป็นที่เลี้ยงของใจสามารถให้ความสะดวกแก่ตนได้ทุกแห่งทุกคนดังนั้นจะว่าพระพุทธศาสนาศาสนาสอนคนให้ฉลาดย่าง ถ้าเราฉลาดแล้วก็ถึงจุดนั้นแล้วเราก็เป็นพุทธศาสนหรือพุทธที่อยู่เในเราถึงไม่ตั้งพุดก็มีเต็มที่ไม่ต้องตั้งจัวขึ้นก็ได้ให้ฉลาดรอบครอบไม่มีผิดมีภัยนั่นแหละเป็นสิ่งที่สํำคัญมากแต่บางทีเราต้องอยากพูดอะไรเพราะเรามีความเมตตาหรืออะไรไม่ถือว่าไม่อะไรที่ไม่สําคัญก็ไม่พูดแต่บางทีเรารู้สึกว่าเราม่เหมือนคนนอกอะไรแบบนั้นอันนั้นเป็นความคิด เอ่อความคิดของเราเฉยเฉยความคามิดของอีกอย่ากับคุณคิดของคนง่กลองเราหานโคมฉลาดไปสลักกันดูสิเราไปว่ามันดูสิฉลาดเช่นนีนั้นมันจะเป็นภไไัยไหมล่ะต่างร่างรู้วมีเรื่องอื่นกันเราเงียบลงไปเนี่ยแปลว่าสงบเมื่อสง บ, บแล้วเรื่องก็มันเกิดขึ้นนั่งแหลกทับเราไม่เอาแบบลูกเร า, เาแบบทำถ้าแบบล้มก็เ้าหาว่าลู่แต่ไม่มีเรื่องเป็นวิธีที่ดีแต่หากฉลาดเกิดเรี่ยงขึ้นนักปากทางนนคนงู ในระับความสงบใช่มสงบทางโลกไม่มีเรื่องเกิดขึ้นแปลว่าความสงบแปลว่าสมาธิของโลกถ้าเด็กไม่เล่าให้ปกค้องง่ายสมาธิของเด็กของพ่อของแม่พ่อแม่กเบาใจนั่นสมาธิของนักเรียนก็หมายตั้งใจศึกษามั่นคงแน่นอนในหลักวิชาของตัวเองนั่นน่แหลกสมาธิถ้าคืออย่างนี้ฉนเองก็ไม่เคยทำสมาธิหรืออะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่สอนว่าใกล้คิดผู้ใหญ ก็สอนบอกต่างกันเป็นตอนแที่กพูดครับท่านครับแต่มากมัาจะบอกว่าทำอะไรก็ไม่มีกฎอะนั่นก็เปจุดหนึ่งที่มึงจะทำเท่านี้พูดถึงว่าต้องไเจอนันจะเริ่มทำกรรมฐาอะไรเนี่ยน่จะมีอะไรที่เลวงพ่อจะแนะนเดี๋ยวก็ติดหน้าบริสุดเรื่อนะหลวพอก็แนะนํเหากมีโอกาสมาที่เราสะดวกเวลาไหน อยู่ที่บ้านก็ดีที่นั่งก็าขาขว า, ขาทับขาซ้ายมือ ข, ขว า, ขาทับมือซ้ายวางกายให้สะดวกสบายเป็นเรื่องของการแต่จใจให้อยู่กับธรรมคือพูดถูกจะให้เผลอเราจะได้แค่ใดก็ เ, เอาอเพือ่อสร้างสร้างจิตเครืองร้องให้มีกํลาลังขึ้นแค่นั่งก่อนวอนนี้เราได้สิบห้านาทีวันหลังได้สามสิบนาทีเรื่องวันหลังต่อไปได้มากขึ้นมากขึ้นอยู่ที่ไหนที่นี่เราก็อยู่กับธรรมถ้าใจมันมีมความสงบขึ้นมาเท่าไหร่มันชอบ ไปบุญนับคนไม่ชอบทันทีจิดมันจะโห้เข้ามาอยู่ธรรมนั่นก็แสดงว่าเรามีธรรมในใจคนอื่นเขาเดือดร้อนเอดูหน้าดูตาเหี่ยวแห้ง้เราสบายใจเรามีความสุขนั่นแหละคนเรามันมันเหนือกันที่ตรนจิตมีความสุขผิดไกลแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขแล้วเรามีธรรมเราก็อยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วหลวงพ่อทำไงครับให้ให้ให้ให้คุณให้คุณตีนุชให้มีความสุขซะก่อนแล้ค่อยว่ากันดี มันสมบูรณ์แล้วความเมตตามก็สมบูรณ์ถ้ า, ามีในตัวเราแล้วมันฉลาดเองไม่ต้องบอกนั่นแหละท่านมาสอนตัวเองได้แล้วคนอื่นไม่ยากเลยมันนี้คนมีธรรมคนเมตตาไม่ต้องพูดอยา ก, กช่วยเหลือยอยากสงเคราะห์สังคมคนมีธรรมนี่แหละการเ ส, นสนน้นช่วยเหลือคนมันเหนือใครทั้งหมดความฉลาดราอบครอบทําเพื่อประโยชน์จริงๆโลกสบายมากขอให้คนมีธรรมมากๆแล้วกันช่วยกันไม่ต้องบอกความสามัคคีมั้ก็ต้องไม่ต้องพูด ไม่ต้องหวดาดา้ำมื่คีกันนะแต่ใจมันไม่มีความไม่เห็นไม่มีทําเลยจะไม่สม้ำเมื่อคีได้อย่างไรถ้าเปลี่ยนก็แตกกันคนมีทํานี้เข้าไปซะเน็ตกั น, นทันทีแล้วซ้เมื่อคีพูดใจเป็นอะไรไปเลยต่างคนก็ต่างรู้จักประโยชน์ไม่เห็นแก่ตัวทําอะไรรู้จักช่วยกันรู้จักรักษาความปลอดภัยทุกอย่างรอบคอบหมดแต่ต้องทชาชนะโลกแล้วหลวงพออ in, นอน่อสอนเรื่องเรื่องใจยังต้องอยู่ในสังคมภายท้องอมานะต้องเป็น พบปัดคนมากมายบางทีก็ถึงแม้สังคมในเมือเคคนไทยเป็นเพราะเป็นสังคมเล็กๆคนไทยถึงคนถึงไม่รู้จักหน้ารู้จักการบทไหนมั น, น, นก็ต้องไปพบปัดบางครัดีแต่ทีนี้รูกได้ถูกสอนอยู่คนเดียวตัวฟังอยู่คนเดียวคนที่ตขาไม่้ถูกสอนเขาเกิดจะทำยัจะให้เ ห, หรือว่าเราไม่ต้องไปหัวเข่แต่ผม้องว่า <c oughs> อธิบายให้แนวสอนมุทิดีล้ไม่ต้องพูดหลอกการออกสังการช่วยสังคมเก่งมากนะลองดูตามทำหลงพ่อดูจะเห็นผลทันทีขอให้ฝึกให้ดีและความรับผิดอบทุกคนมีคุณธรรมให้สมบูณ์เถอะการเข้าสังคมไม่เกินใครจะไปเก่งกว่าผู้ที่ฉนดรอบพรอบในธรรมไม่มี เขาฉลาดเรื่องโลกโเขาฉลาดแบบเล่ยแบบเหลี่ยมแบบอะไรกลอนไกเฉยๆนั่นละค่ะคือเราลองไปเปรียบเทียบกับตัวเราเองแล้วรู้สึกแบบมันกลอนไกลของเขาเฉยๆแต่ไอีตัวนี้มันไม่ให้กลไกตัวรูุกลไกชใ่่ด้วยเขาแก้ที่ตรงไหนฉลาดที่ตรงไหนพูดแท๊กมันรู้ทันทีพูดแช๊กรู้ทันทียับเข้ามารู้ทันทีจะแก้ที่ตรงไหนฉลาดแก้แล้วก็เป็นธรรมแต่ล้นล้นทำให้สังคมนั้นเย็นเรียบหมดเลยดีคนเดียวเสียอยากสามารถแต่มากมันคือพระเจ้า ขนโลกขึ้นใน้ลท่าไหร่ต่อมาก็สามภพแต่และองค์โลเป็นคนดีเดี๋ยวนี้มีแต่คนดีล่ะขนคนข ค, ค, คนให้คนดีไอคนชั่วเอาขนไม่เป็นหรอกมีแต่เขาดึงลงทางต่ำแล้วก็ทําให้โลกร้อนเป็นจุดๆๆเพราะความชั่วนั่นเองเพราะคนชั่วนั่นเองนั่นนั่นก็คงจะมีปัญหาในเชื่อถามต้องดูตัวเองไปอีใช่ใช่ โดนจับได้ก็ตำเด็ดแล้วห <c ười> ลว <c ười> งพตอสอนตาเด็ด <c ười> <c ười>